นนเพราะทำลายกรรมอันเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้เสร็จแล้วเนี่ยนะถ้าชาติดับเพราะอันนถ้าชาติดับได้เนี่ยจะต้องดับอะไรจะต้องดับพบดับกรรมมาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยทำทำลายดับกรรมมาพบเสร็จสิ้นแล้วชาติของพระองค์นั้นจึงสูญไปดับไปที่พระองค์ทําลายพบได้ดับพบได้เนี่ยนะเพราะว่าพระองค์ทําลายอุปาทานหรือดับอุปาทานได้อันนั้ปาทานนั้นถูกดับไป หรือดับอุปาทานได้สำเร็จที่พระองค์ดับอุปาทานได้สำเร็จพระองค์ดับอวิชชาดับตันหาได้สำเร็จเมื่อพระองค์ดับอวิชชาตันหาได้สำเร็จนั่นแหละพระองค์ก็ดับพบได้เมื่อดับพบได้ก็เป็นอันดับชาติได้ถ้าดับชาติได้ก็ดับวัตถุทุกได้โดยประการทั้งปวงและที่ดับได้พระองค์ยินดีอยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาในภายในพระมุนีนั้นยินดีในภายในด้วยอานาจ วิปัสนาตั้งมั่นด้วยอํานาจสมถะรวมความว่าพระองค์เนี่ยทำลายตาข่ายคือกิเลสที่รัดรึงอัตภาพเนียนาราสเอาไว้ในภพสามกำเนิดสี่พระองค์ตัดเนี่ยนะตัดด้วยกําลังของสมถะและวิปัสนาตั้งกับเบื้องต้นละกรรมด้วยการละกิเลสเนี่ยนะเพราะว่าถ้าดับตัณหาได้อุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานได้กรรมก็ดับเนี่ยนะ เันถ้าดับกิเลสได้ก็เท่ากับดับกรรมได้เพราะฉะนั้นกรรมที่ทําลายอะแค่เรียกว่ากรรมเนี่ยนะถึงจะอยู่แต่ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีปฏิสนธิเอกต่อไปเปรียบเหมือนเมล็ดที่ที่เอาไปต้มสุกแล้วเนี่ยนะเมล็ดที่เอาไปต้มสุกแล้วเพราะปลูกไม่ขึ้นฉันใดกรรมที่ที่สิ้นกิเลสแล้วก็ไม่นําเกิดฉะนั้นเพราะฉะนั้นกรรมเหล่านั้นจึงไม่นําปฏิสนธิในพบใหม่ เพราะฉะนั้นความกลัวของผู้ละกิเลสได้จึงไม่มีพระอรหันต์ไม่เคยกลัวเลยฟ้าจะผ่าแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นพระอรหันต์ไม่กลัวการที่พระองค์เนี่ยนะอายุสังขารพระองค์ก็ไม่ไม่กลัวเพราะความที่พระองค์ไม่กลัวไม่หวาดหวัน่นไม่พร่านพึงและอยู่อย่างเป็นผู้มี สติสัมปชัญญะรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วบรรดาผู้ที่รู้ประโยชน์สูงสุดคือพระพุทธเจ้าบรรดาผู้ที่ทำประโยชน์สูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่เลอะเลือนฟันฟ่นเฟือนแต่พระองค์ก็ปรงอายุสังขารเพราะพระองค์พิจารณาไคร่ครวนสมบูรณ์เสร็จแล้วพระองค์ก็ป r งอ่เปล่งอุทานอันนี้ขึ้นมาว่าพระองค์ไม่กลัวเลยที่พระองค์ดับขันทปรินิพานเนี่ยนะ องไม่กลัวก็จริงแต่คนอื่นกลัวกลัวอะไรเช่นกับพวกเราเนี่ยนะกลัวหมดคําสอนกับพ่ออะไรก็เพราะว่ายังไม่ได้ตรัสรู้คำสอนใช่ไหมมันยังไม่เข้าถึงคําสอนอันสูงสุดก็เลยกลัวที่กลัวก็เพราะว่าตัวเองยังพร่องอ่ะนะก็คือยังไม่ได้รับอริยสัพจจากพระพุทธเจ้าเลยนะก็เหมือนกับว่า คนที่ไม่มีรายได้เลยกลัว บ, บริษัทล้มละลายกลัวเขาเลิกจ้างเพราะอะไรเพราะฐานะไม่ดีอย่ะเนี่ยนะถ้าบริษัทแจ้งเมื่อไหร่ก็โหตัวเองเดื่อร้อนแน่เนี่ยนะไม่รู้ไปกินอะไรไปทําอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรก็เหมือนกับถูกปลดดีๆนี่แหละเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันมันพวกที่ยังไม่บรรลุมรคผลเนี่ยก็น่าสงสารน่าสงสารด้วยแต่ว่าตัวเองไม่รู้สงสารตัวเองบ้างหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเออพอจะเสื่อมประโยชน์หน่อยก็เสียใจเสร็จแล้วก็หัวเราะดังเดิม มีความสุขดีกินอิ่มนอนหลับสบายตามเดิมเหนกันทีนี้ตอนที่พระองค์ดับขันทปรรินีผ่านตอนนั้นเนี่ยนะขออภัยปลงอายุสังขารปลงมายุสังขารเนี่ยแผ่นดินใหญ่ก็ไหวขึ้นเกิดอาการที่น่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวกลองทิพกบลือลั่นเนี่ยนะในข้อเก้าสิบเจ็ดครั้งนั้นท่านพระนนคิดว่า นะที่ไปยืนในที่เงียบๆอ่ะนะน่าอาัศจริงหนอะสิ่งไม่เคยมีก็มีขึ้นแผ่นดินใหญ่นี้ก็ไหวได้หนอะแผ่นดินยังไหวได้อ่ะนะแผ่นดินใหญ่นี้ไหวได้จริงนะหนอน่ากลัวน่าขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์กบะลือลัน่นอะไรหนอะเป็นเหตุอะไรหนอะเป็นปัจจัยทําให้แผ่นดินที่ใหญ่ขนาดนี้ยังปรากฏวันไหวได้แผ่นดินยังไหวได้ปนะงัน ลำดับนั้นท่านพระนนก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระนนนั่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์เหตุไม่เคยมีก็มีขึ้นแผ่นดินใหญ่นี่ไหวได้หนอแผ่นดินใหญ่นี่ ไหวได้จริงหนอหน้ากลัวหน้าขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็บลือลั่นอะไรเนาะเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยไหวขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอนนท์เหตุแปดอย่างปัจจัยแปดอย่างทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยไหวได้เหตุแปดอย่างปัจจัยแปดอย่างเป็นไฉไหนะดูก่อนอนนท์แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ํา น้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัดเมื่อลมใหญ่พัดย่อมทําน้ําให้ไหวครั้นน้ําไหวแล้วก็ทําให้แผ่นดินเนี่ยไหวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่หนึ่งทำให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยไหวขึ้นก็คือลมนั่นเองลมเนี่ยเป็นเหตุทําให้แผ่นดินไหวข้อแรกเนี่ยน ะ, ล, ะลมไปพัดน้ําน้ําพัดดินอีกทีหนึ่งดินก็มีการกระเทือนก็เกิดแผ่นดินไหว ดูก่อนอนอน์ยังมีข้ออื่นอีกสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความชํานาญทางจิตหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเขาเจริญปัทวีสัญญาปัทวีกสินเล็กน้อยเจริญอาโปสัญญาหรือว่าอาโปะกะสินมาก น, นะด้วยอนุภาพของอะปัทวีสัญญาเล็กน้อยอาโปะสะสัญญามากหรือว่าอาโปะกะสินเนี่ยมากทําแผ่นดินใหญ่ให้ไหว สะเทือนกำเริบหวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุปัจจัยข้อที่สองที่ทำแผ่นดินใหญ่ให้ไหวได้คืออนุภาพของผู้มีฤทธิ์หรือเทวดาผู้มีฤทธิ์ก็ทำให้แผ่นดินไหวข้อที่สยังมีอีกสมัยใดพระโพธิสัตว์เคลื่อนจากดุสิตหรือว่าจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ขันพระพุทธมารดา เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมไหวสะเทือนกําเริบวันไหวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สามที่ทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยไหไวได้ข้อสี่ยังมีอีกเมื่อใดพระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากขันพระพุทธมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็ย่อมไหวสะเทือนกําเริบวันไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่สีที่ทําให้แผ่นดินไหวเนี่ยนะก็ ยังมีอีกนะข้อหเมื่อใดพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสะสมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมไหวสะเทือนสถานกำเริบหวั่นไหวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ห้าทำให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยไหวได้ข้อหยังมีอีกเมื่อใดตถาคตประกาศพระธรรมจักรหรือยังพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไป เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมไหวสะเทือนกําเริบหวั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่หที่ทําให้แผ่นดินไหว่แผ่นดินใหญ่เนี่ยหวั่นไหวได้ยังมีข้ออื่นอีกเมื่อตถาคตมีสติสัมปชัญญาปลงอายุสังขารแปลว่าปลงอายุมายุเนี่ยหรือว่าถอดใจเนี่ยนะแปลว่าประกาศว่าอีกสามเดือนจะปรินิพานเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ ย่อมไว้สะเทือนกำเริบห ว, วั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่เจ็ดที่ทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยวันไหวได้ยังมีข้ออื่นอีกเมื่อใดตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะปรินิพานธาตุเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมหวั่นไหวสะเทือนสถานกำเริบห ว, วั่นไหวอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่แปดที่ทําให้แผ่นดินใหญ่เนี่ยวันไหวหมายคถาว่าตอนที่พระองค์ดับชีวิตดินทรีย์ ทั้งชีวิตตรูปชีวิตตนามดับวิบากและกรรมมชรูปโดยสิ้นเชิงเน่นะเมื่อนั้นแผ่นดินใหญ่ก็วันไวนี้ในบรรดาเหตุผลทั้ง8ประการเนี่ยนะเหตุผลทั้ง8ประการที่ทำให้แผ่นดินไหวก็ข้อแรกก็ด้วยอนุภาพของอลมเนี่ยนะที่บอกว่าลมเนี่ยอุ้มน้ำน้ำเนี่ยอุ้มแผ่นดินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อลมกำเริบ น้ำก็มีปัญหาอนนลมก็อะไรก็แพรลมก็ทําให้แผ่นดินเนี่ยวันไหวอันเนี้ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยประการที่ที่หนึ่งเนยนะที่ทําให้แผ่นดินไหวอันนี้ด้วยอำนาจอุตุชโร ب เนี่ยนะด้วยอนานาจอุตุกนั่นเองอย่างที่สองเนี่ยนะอนุภาพของท่านผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะหรือเช่นท่านพระโมคขคลานะเนี่ยปรารถนาจะทําให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงความสังเวช ท, ท่านก็ทําให้ แผ่นอินไหวหรือสัมเนธสังขรขิดนะนะสมมเนธสังขรขิดผู้เป็นหลานของพระมหานาคเถระอันนี้ท่านก็เคยทําให้เวชยันต์ประสาทหวั่นไหวเกี่ยวกับเรื่องสัมเนธสังขรขิดที่ทําให้เวชยันตัประสาทในสวรรค์ชั้นดาวดึงหวั่นไหวมีอยู่ว่าได้ยินว่าสมมเนธนั้นขณะโกนผมเท่านั้นก็บรรลุพระอรหัตนตนะผู้มีบุญเนี่ยโอ้ยเนี่ยนะปุเพกตปุญจตามาดีเนี่ย เร่ยว่าฟังทำครั้งเดียวหรือว่าโกนผมก็บรรลุแล้วเหมนกันหลังจากที่ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อปลงผมเสร็จท่านก็มีความคิดว่าภิกษุรูปไหนๆมีไหมหนอที่เคยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่บวชแล้วทําเวชยันตะปราสาสตรของเท้าสักกะให้วันไหวนะปราสาทที่เรียกว่าเป็นชั้นเนี่ยนะเหมือนกับตึกที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีไหมที่บวชวันเดียวแล้วทําให้วันไหวเลย เป็นผ้าหันที่ไปทำให้หวันไหวในวันนั้นเลยจากนั้นก็กรู้เลยนะอาศัยยานหลายอย่างของท่านทำให้รู้ว่ายังไม่เคยมีใครทำก็เลยคิดว่าเราจะทำให้เวชยันต์ประสาทเนี่ยนะวันไหวเสร็จแล้วท่านก็ไปยืนอยู่บนยอดเ ว, เวชยันต์ประสาทที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะใช้เท้ากระทืบก็ไม่สามารถทำให้หวันไหวแม้กระทั่งด้วยกาลังอภิญญา ตอนนั้นเนี่ยนะพวกนางฟ้อนนางรามของท้าวสกกะก็กล่าวกับสัมมเ น, นว่าลูกสังขราคิดเนี่ยนะเาเรียกว่าลูกนะเพราะอายุน้อยเพิ่งเจ็ดขวบนะนางฟ้าทั้งหลายก็มาเรียว่าลูกว่างนั้นเธอประสงค์จะทำเวชยันต์ประสาทให้หวันไหวด้วยศีรษะที่มีกลิ่นเหม็นเท่านั้นโอ้ยอายุเาเรียกว่าอะไรนะอายุยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมเลยว่างนั้น บอกว่าอายุยังน้อยๆเนี่ยยังมีกลิ่นตัวติดมาลูกเอ้ยยังมีกลิ่นอยู่ในตัวเนี่ยนะตัวนี้เตีย่ยจะไปทําปราสาทให้วันไหวได้อย่างไรปราสาทเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ตั้งที่ดีเพราะปราสาทเนี่ยตั้งอยู่บนยอดเขาสิเนรุซึ่งสูงขึ้นแปดหมื่นสี่พันยอดหย่อนลงไปในทะเลลึกอีกแปดหมื่นสี่พันยอดจะมาทําปราสาทอันนี้ให้วันไหวได้อย่างไรสัมมเนนก็ระลึกขึ้นมาว่า เทวดาเหล่านี้เนี่ยมายเยอะเย้ยหรือว่าเย้ยหยันถากถางเราเนี่ยนะที่ทำอย่างนี้เพราะเรายังไม่ได้อาจารย์รองก็เลยไปหาพระมหาราคผู้เป็นอาจารย์อาจารย์ที่เป็นลุงด้วยเนี่ยเป็นลุงด้วยอยู่ที่โน่นอ่ะท่านพักเจริญกรรมฐานอยู่โน่นอ่ะที่ทะเลนั่นแห ล, ละก็รู้ว่าอาจารย์เนี่ยสร้างกุฏิพักอยู่ในทะเลลึกเหมือนกันนะสร้างกุฏิเข้าฌานอยู่ในทะเลลึกนั่งพักผ่อนกลางวันอยู่ที่นั่น เสร็จแล้วก็ไปไหว้พระเถระยืนอยู่พระเถระก็พูดกับสัมมาเนนว่าสังขรารคิดเจ้านี่ยังไม่ได้ศึกษาจะเข้าไปต่อยุติแล้วหรื อ, อนะนะโอ๊ยยังไม่ได้เรียนอะไรเท่าไหร่หรเลยนะกระทำแล้วว่างั้นถามว่าทําไม่สามารถทำเวชยันให้วันไหวได้ใช่ไหมสมมาเนนก็ตอบว่าผมยังไม่ได้อาจารย์ยังไม่ไคนแนะแนวว่างั้นนะอาจารย์ก็คือคนแนแนวอะ่ะยังไม่มีใครแนแนวให้ลําดับนั้นพระเถระก็กล่าวกับสมมาเนนว่าพ่อเอ้ยว่างั้น เมื่อคนเช่นเจ้าเนี่ยทำเวชยันให้หวั่นไหวไม่ได้และใครจะทำให้หวั่นไหวได้ละ่ะเขาเลยมีวิธีแนะนาว่าเจ้าเคยเห็นก้อนโคลไม้ลอยเหนือหลังน้ำไหมล่ะพ่อะสมัยนี้เคยเห็นกระทง n ลอยน้ำไหมก็บอกว่าเคยบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยนะเขาจะทำขนมขนมเบื้องเขาไม่ตัดที่ปลายดอกเจ้าจงรู้ปุปมาอย่างนี้ก็เคยเห็น เคยเห็นอไอ้นั้นทำกระทงให้ไหวนี่ทํำยังไงไม่ได้อยากเย็นอะไรหรอกเหมือนกันเสร็จแล้วสามนเณรก็กล่าวว่าได้แนวแล้วนะก็เลยไปถึงก็อธิษฐานว่าขอน้ําจงมีตลอดโอกาสที่ปราสาท ต, ตั้งอยู่ก็เหมือนกับปราสาทลอยน้ําก็เหมือนกระทง n ลอยน้ําผ้าเหมือนกระทง n ลอยน้ําเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐา น, อ, นอธิษฐานทําให้ วันไว้ได้ไอตอนที่กําลังอธิษฐานอยู่นั่นนะ่ะนะนะเทพพระธิดาเห็นสมมาเนก็พูดกันว่าสัมมาเนนอับอายไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมาอีกเอ ไ, ه, ไม่อายหรือไงนะเนี่ยนะอุษาพูดถากลางมาแล้ว ย, ยังมาอีกเท้าสักกะก็ตรัสว่าพวกเจ้าอย่าไปพูดกับลูกของเราอย่างนั้นเลยบัดนี้เธอได้อาจารย์แล้วชั่วขณะเธอจะทําปราศาสตรนี้ให้หวันไหวสมมาเนนก็ใช้นิ้วเท้าเนี่ยกดยอดปราศาสตปราศาสตรก็เอ็นไปทั้ง4ี่ทิศเนี่ยนะ